พระบัญญัติก็ภิกษุใดออกปากขอโภชนะอันประนีตเช่นนี้คือเนอยใสเนยค้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มเมื่อเพื่อตนแล้วฉันต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชภคีจบ